ที่มีความสนใจใคร่ธรรมและข้อปฏิบัติประจำนิสัยอาจมีความสามารถสนใจอยากทราบอยู่มากจึงได้พยายามรวบรวมมาลงไว้เท่าที่สามารถปีทูประการใดหวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคยคราวนี้ก็ส่งมาลงทางสีสัปดาห์ตามเคยโดยขอร้องให้ทางโรงพิมพ์ช่วยลงให้เป็นตอนตอนไปดังที่เคยทํามาและได้เรียนกำชับขอให้ลงพอประมาณ เกรงจะเขียนส่งมาไม่ทันดังที่เคยเรียนเกี่ยวกับประวัติท่านพระอาจารย์มาแล้วการส่งมาขอความครุณาทางสีสัปดาห์ให้ช่วยลงให้นั้นเป็นอุบายช่วยบังคับตัวเองซึ่งมีนิสัยขี้เกียจไปในตัวเพื่อเรื่องที่เขียนจะได้สําเร็จไปด้วยดีไม่มีข้อแก้ตัวว่ายุ่งนั้นยุ่งนี้แล้วหยุดไปเสียซึ่งอาจทําให้งานที่กําลังทําเสียไปตามปกติหนังสือสีสัปดาห์เคยออกทุกวันศุกร์ จึงพอมีทางว่าการเขียนจะมีความรู้สึกตัวพยายามทำให้ทันกับกำหนดวันเวลาที่หนังสือจะออกเรื่องที่เขียนก็พลอยมีหวังจะสำเร็จได้จึงได้ส่งและขอร้องทางสีสัปดาหให้ช่วยลงให้จนกว่าเรื่องจะยุติลงซึ่งทางสีสัปดาห์ก็ยินดีให้เป็นไปตามความประสงค์ทุกประการคำว่ากรรมฐานเป็นศัพด์พิเศษ และเป็นบทธรรมพิเศษที่วงพระทุดงท่านปฏิบัติกันมาแต่องค์ของกรรมฐานแท่นนั้นมีอยู่กับทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและครวัตได้แก่เกสาโลมาเป็นต้นบางท่านอาจยังไม่เข้าใจในคำว่ากรรมฐานหรือพระทุดงกรรมฐานว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่จะเขียนเฉพาะข้อปฏิบัติแห่งทุดงกรรมฐานสายของท่านพระอาจารย์มั่น นอกจากนี้ผู้เขียนไม่ค่อยสันทัดแจดเจนนะักว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรบ้างเป็นเพียงเห็นเห็นผ่านๆไปบ้างเท่านั้นไม่ค่อยมีโอกาสได้สนใจใกล้ชิดนักเฉพาะสายของท่านอาจารย์ม่านพาดําเนินมานั้นพอเข้าใจบ้างตามที่เคยได้เห็นได้ยินและปฏิบัติมาแต่ก่อนจะเขียนเรื่องนี้จึงขออธิบายคำว่ากรรมฐานอันเป็นทางดาเนินของท่านพอเป็นแนวทางเล็กน้อย เพื่อเข้ารูปการกับปฏิปทาที่จะเขียนต่อไปคำว่ากรรมฐานนี้เป็นคําชินปากจินใจของชาวพุทธเรามานานเมื่อถือเอาใจความก็แปลว่าที่ตั้งแห่งการงานแต่งานในที่นี้เป็นงานสำคัญและหมายถึงงานหรือพบรือชาติหรือกิเลสตัณหาหรือถอนอวิชชาทั้งมวลออกจากใจเพื่อใกรทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นสะพานเกี่ยวโยงของวัตต์ ที่สัตว์โลกข้ามพ้นได้โดยยากมากกว่าจะมีความหมายไปทางอื่นแบบงานของโลกที่ทำกันส่วนผลที่พึงได้รับแม้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ทำให้ผู้บมเพ็ญมีความสุขในปัจจุบันและพบชาติต่อไปฉะนั้นพระที่สนใจปฏิบัติทมเหล่านี้จึงมากมีนาว่าพระธุดงกรรมฐานเสมออันเป็นคาชมเชยให้เกียรติท่านผู้มุงต่อ ง, งานนี้ด้วยใจจริง จากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายกรรมฐานที่เป็นธรรมจาเป็นมาแต่พุทธกาลที่พระอุปชาหม้อให้แต่เริ่มบรรพชาอุปสมบทมี5อาการด้วยกันโดยสังเขปคือเกสาได้แก่ผมโลมาได้แก่ขนณขาได้แก่เล็บทันตาได้แก่ฟันตาโจได้แก่หนังโดยอนุโลมปฏิโลมเพื่อกุลบุตรผู้บวชแล้ว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 บรรดากรรมฐานที่ท่านกล่าวไว้มากมายนั้นข้ออยญ่ใจกว้างก็เพื่อท่านผู้สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติซึ่งมีจริตนิสัยต่างๆกันจะได้เลือกปฏิบัติเอาตามใจชอบที่เห็นว่าถูกกับจริตของตนของตนเช่นเดียวกับโรคมีชนิดต่างๆกันที่ควแก่ยาขนาดต่างๆกันฉะนั้นวิธีทําได้แก่การนำธรรมบทนั้นๆมาบริกรรมภาวนาประจําอิริยาบทต่างๆ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 ผู้ที่ทราบชัดว่าถูกกับจริต จ, จริงๆแล้วก็ควรยึดทำนั้นเป็นหลักใจและปฏิบัติต่อไปไม่ลดละจนเห็นผลเป็นลําดับและก้าวหน้าเข้าสู่ภูมิธรรมที่ควรเปลี่ยนแปลงบทธรรมตามความจําเป็นซึ่งเจ้าตัวต้องทราบโดยลําพังผลที่เกิดจากการปฏิบัติบําเพ็ญด้วยทำเหล่านี้หรือด้วยทำอย่างอื่นๆที่ถูกกับจริตย่อมเป็นความสงบสุขภายในใจไปโดยลําดับที่ไม่เคยรู้เห็นมา ก, ก่อน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 เพราะขณะนั้นจิตปราศจากอารมณ์และเป็นตนของตนอยู่โดยลำพังแม่กิเลสส่วนละเอียดยังไม่อยู่ภายในก็ไม่แสดงตัวถ้าเป็นน้ำก็กำลังนิ่งและใสสะอาดปราศจากฝนละอองหากมีตะกรอนก็กำลังนอนนิ่งไม่ทำน้ำให้ขุนควรแกการอาบดื่มใช้สอยทุกประการใจที่ปราศจากอารมณ์มีความสงบตัวอยู่โดยลาพังนานเพียงไรย่อมแสดงความสุข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 ปล่อยให้หลุดมือคือเสื่อมไปโดยไม่ได้กลับคืนด้วยวิธีบำเพ็ญให้ทรงตัวอยู่หรือให้เจริญยิ่ ง, งขึ้นไปคงเป็นพระเหตุนี้กระมังที่ครั้งพู้จการมีพระสาวกบางองค์ขณะท่านกําลังบําเพ็ญอยู่ใจมีความเจริญขึ้นและเสื่อมลงถึง6ครั้งจนเกิดความเสียใจมากเพราะความอาลัยเสียดายแต่สุดท้ายท่านก็เป็นพระสาวกอรหรันขึ้นมาองค์หนึ่งจนได้ เพราะความเพียรพยายามเป็นสะพานเชื่อมโยงให้บรรลุถึงอมตะธรรมคือแดนแห่งความเกษมโดยอาศัยคำมถานธรรมเป็นเครื่องดำเนินพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับจํานวนไม่ได้และพระสาวกอรหันทั้งหลายของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่เสด็จปรินิพานผ่านไปแล้วจนประมาณการไม่ได้กว่าดีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เสด็จปรินิพาน และนิพานผ่านไปพอประมาณการได้พอดีพระพุทธเจ้าสมณะโคดมกับพระสาวกท่านที่เพ่งเสด็จผ่านไปไม่กี่พันปีก็ดีล้วนทรงอุบัติและอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระอาหารหันตจากกรรมฐานทั้งหลายมีกรรมฐานห้าเป็นต้นทั้งสิน้นไม่มีแม้พระองค์หรือองค์เดียวที่ผ่านการรู้ธรรมมาโดยไม่ได้ผ่านกรรมฐานเลยแม้จะพูดว่า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 กลายเป็นพระไถยและใจดวงใหม่ขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์ล้วนดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงทรงถือกรรมฐานว่าเป็นธรรมทั้งสําคัญและจําเป็นและยกย่องในวงพระาศาสนาประจําศาสดาแต่ละพระองค์ตลอดมาถึงปัจจุบันแม้ในาศาสนาแห่งพระสมณะโคดมของพวกเราก็ทรงถือกรรมฐานเป็นแบบฉบับและจารีตประเพณีตายตัวมาเป็นพระองค์แรกว่าได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา เพราะกรรมฐาน40มีอาณาปานสติเป็นต้นและทรงสั่งสอนพุทธบริษัทตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้ทั้งยังจะเป็นสะพานเชื่อมโยงให้สัตว์โลกได้ถึงพระนิพพานตลอดไปจนกว่าจะสิ้นอำนาจวาสนาของมนุษย์ที่จะตามเสด็จพระองค์ได้นั่นแลฉะนั้นคำว่ากรรมฐานจึงเป็นธรรมพิเศษในวงพระาศาสนาตลอดมาและตลอดไปผู้นับถือพระพุทธศาสนา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 อันมีกรรมฐานเป็นเครื่องส่องทางให้ถึงความจริงตามพระประสงค์ที่ทรงประกาศธรรมสอนโลกพระกรรมฐานสี่สิบห้องนีแลคือตู้พระไตายพิดกคือเครื่องมือทําลายภพชาติเครื่องมือทําลายกงจักรที่พาให้สัตว์โลกหมุนเวียนเกิดตายจนไม่ทราบพบเกา่าพบใหม่และทุกเกา่าทุกใหม่ที่สลับซับซ้อนมากับภพบชาตินั้นๆให้คาสะบ้านลงโดยสิ้นเชิง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 และความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายจำต้องยึดถือทำเหล่านี้เป็นเส้นชีวิตจิตใจของการดำเนินปฏิบัาไปตลอดสายนับแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานใครจะปฏิบัติ บ, ตบำเพ็ญความดีงามด้วยวิธีการใดๆก็าตามเมื่อถึงขั้นจะเข้าได้ของเข็มจริงๆคือการก้าวขึ้นสู่ภูมิจิตภูมิธรรมเป็นขั้นขนจำต้องหวนกลับมายึดทำเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องดำเนินจึงจะผ่านพ้นไปได้โดย ส, สวัสดีปลอดภัยเพราะธรรมเหล่านี้เป็นที่ประมวลมาแห่งสัจธรรมทั้งหลายที่มีมรรคผลิพานเป็นจุดสุดยอดธรรมเหล่านี้รวมอยู่ในวงพระพุทธศาสนามีศาสดาองค์เอกแต่ละพระองค์ทรงประกาศสอนไว้เป็นแบบเดียวกันและสืบท อ, อดกันมาเป็นลําดับท่านถ้ายังสงสัยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงประกาศสอนธรรมมาเป็นยุค จนถึงศาสดาองค์ปัจจุบันคือพระพุทธเจ้าของเราจึงควรปฏิบัติพิจารณาตามธรรมกรรมฐานที่ทรงแสดงไว้ด้วยความพิสูจน์จริงๆทางปัญญาจนเกิดผลตามพระประสงค์ก็จะทราบจากความรู้ความเห็นอันเกิดจากการปฏิบัติของตนเองอย่างประจักษ์ใจว่าศาสดากับธรรมมิได้แตกต่างกันแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังแกนธรรมที่ทรงแสดงไว้ย่อว่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตดังนี้ทำบทนี้เป็นธรรมประกาศองค์พระตถาคตทั้งหลายให้เราทราบอย่างชัดเจนว่าพระตถาคตมีอยู่กับธรรมตลอดเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่แม้แต่ละพระองค์จะเสด็จปรินิพานไปนานตามสมมติยมคัรก็จริงแต่ความจริงขององค์พระตถาคตแล้วคือธรรมนี้เท่านั้นบรรดาท่านที่เห็นธรรมภายในใจอย่างแจ้งประจักษ์แล้ว ท่านไม่ได้สงสัยในองค์พระตถาคตเลยว่าประทับอยู่ในที่เช่นไรซึ่งโลกเข้าใจว่าท่านเสด็จเข้าสู่นิพพานหายเงียบไปแล้วไม่มีศาสดาผู้คอยเมตตาสั่งสอนต่อไปความจริงทำที่ทรงประสิประสาไปแล้วแก่มูชนก็คือองค์ศาสดาเราดีๆนั่นแหละถ้าสนใจอยากมีศาสดาภายในใจก็มีได้ทุกเวลาเช่นเดียวกับที่ยังทรงพระชนอยู่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 เมื่อถึงวาระที่คิดอยากบำเพ็ญจะได้สะดวกบัดนี้จะเริ่มเรื่องปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ท่านอาจารย์มั่นพาคณะลูกศิษย์ดำเนินมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติตามปฏิปทานี้รู้สึกลำบากเพราะเป็นการทวนกระแสะโลกทั้งทางกายทางวาจาและทางใจหลักปฏิปทาก็มีทุดง13คันธวตสมีอาคาันตุกวตเป็นต้น เป็นเครื่องบำเพ็ญทางกายโดยมากและมีกรรมฐานส0เป็นเครื่องบำเพ็ญทางใจสัมพันเกี่ยวเนื่องกันไปในอริยาบทต่างๆของความเพียรทันทีสมัครใจเป็นพระทุดงกรรมฐานจำต้องเป็นผู้อดทนต่อสิ่งขัดขวางต้านทานต่างๆที่เคยฝังกายฝังใจจนเป็นนิสัยมานานซึ่งเป็นสิ่งที่ละได้ยากแต่ก็จำต้องพยายามละไม่หยุดยอนอ่อนกาลัง เพราะเพศของนักบวชกับเพศฆราวาสมีความเป็นอยู่ต่างกันตลอดความประพฤติมัญญาตความสํารวมระวังต่างๆต้องเป็นไปตามแบบหรือประเพณีของพระซึ่งเป็นเพศที่สงบงามตาผู้เป็นพระทุดงจึงควรมีความเข้มงวดโกวดขันในข้อวัดปฏิบัติต่างๆให้เป็นที่อบอุ่นเย็นใจแก่ตนและเป็นที่น่าชื่นชมเลื่อมายแก่ผู้อื่นเพราะทุดงฆวาสิบสา และวัดต่างๆตลอดกรรมฐานทั้งมวลล้วนเป็นธรรมเครื่องดัดนิสัยความดื้อด้านของคนเราโดยตรงพระเขาออกมาจากคารวาสนิสัยนั้นต้องติดตัวมาด้วยทาไม่มีเครื่องดัดแปลงหรือทรมานกันบ้างก็คงไม่พ้นการบวชมาทําลายตัวและวัดปาศาสนาให้จบหายล่มจงลงอย่างไม่มีปัญหาเพราะปกตินิสัยของมนุษย์เราโดยมากชอบเบียดเบียน และทำลายตนและผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆอยู่เสมอโดยไม่จำต้องอาศัยเจตนาเสมอไปเนื่องจากความชินต่อ น, นิสยัยเพราะความเถเยรทยานยยากต่างๆพาให้เป็นไปหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการก่อสุดจะฆ่าถูกจึงพลอยมีความทุกข์เดือดร้อนติดตัวประจำอิรยาบทอยู่เสมอไม่ค่อยมีความสุขกายสุขใจได้นานเท่าที่อยากมีคาว่าเบียดเบียนหรือทาลายตนนั้น ได้แก่ความคิดนึกต่างๆที่เป็นภัยแก่ตนโดยเจ้าตัวไม่รู้ว่าผิดก็มีที่รู้ว่าผิดก็มีและเป็นชนวนให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นจนถึงระบาดออกทางกายวาจาเรียกว่าความเบียดเบียนทำลายทั้งสิน้นจะเขียนเรื่องพระปฏิบัติที่กำลังอยู่อบรมกับท่านก่อนแล้วจึงจะเขียนเรื่องการแยกย้ายของท่านที่ออกไปปฏิบัติอยู่โดยลาพังต่อไปตามลาดับ ท่านที่เริ่มมาศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานในสำนักท่านอาการมัตามปกติท่านสอนให้เป็นผู้มีความขยันมันเพียนในทุกกรณีที่เป็นหน้าที่ของพระจะพึงทำสอนให้เป็นคนหูไวตาไวก้นเบาลุกง่ายไปเร็วไม่อึดอัดนยนายสอนให้เป็นคนฉลาดช่างคิดในกิจนอกการในเพื่ อ, ออัดทำในแง่ต่างๆม่อยู่เฉยๆเหมือนคนสิ้นท่า ความเคลื่อนไหวไปมามีสติอยู่กับตัวสอนให้เป็นคนละเอียดละออนในทุกกรณีการภาวนาท่านเริ่มสอนแต่กรรมฐานหาเป็นต้นไปตลอดถึงกรรมฐานอื่นๆตามแต่อาการใดจะเหมาะกับจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาเป็นรายๆไปขณะฟังการอบรมก็ทำสมาธิภาวนาไปด้วยในตัวบางรายขณะนั่งฟังการอบรม จิตเกิดความสงบเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาทั้งที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนนับแต่เริ่มฝึกขัดเพิ่งมาเป็นในขณะนั้นก็มีพระเนนมีจำนวนมากที่เข้าไปรับการอบรมต่างเกิดผลจากสมาธิภาวนาขณะที่นั่งฟังการอบรมในแง่ต่างๆกันขึ้นมาตามจริตนิสัยไม่ค่อยตรงกันไปทีเดียวความรับการอบรมจากท่านเป็นอวายกรมกล่าวจิตใจของผู้ฟังได้ดี ทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาเป็นขันๆผู้ที่ยังไม่เคยมีความสงบก็เริ่มสงบผู้เคยสงบบ้างแล้วก็เพิ่มความสงบไปทุกระยะที่ฟังผู้มีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วก็ทำให้ฐานนั้นมั่นคงขึ้นโดยลำดับผู้เริ่มใช้ปัญญาการอบรมก็เป็นอุบายปัญญาช่วยไปด้วยเป็นระยะผู้มีภูมิปัญญาเป็นพื้นอยู่แล้วขณะฟังการอบรม ก็เท่ากับท่านช่วยบุกเบิกอุบายสติปัญญาให้กว้างกวางลึกซึ้งลงไปทุกระยะเวลาออกจากที่อบรมแล้วต่างองค์ต่างเปลีกยตัวออกบ ม, มเพญอยู่ในสถานที่และอิรยาบถต่างๆกันการพักผ่อนหลับนอนไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใดๆจากท่านรอให้เป็นความสะดวกเหมาะสมของแต่ละรายจะปฏิบัติต่อตัวเองท้งนี้เพราะาธาตุขันและความเพียร ตลอดความไม้มั่นปันมือต่อทําในแง่ต่างๆมีหนักเบามากน้อยต่างกันบางรายกลางคืนมีเวลาพักบางรายพักนอนบ้างตอนกลางวันแต่กลางคืนเร่งพักหลับนอนน้อยหรือไม่พักหลับเลยในบางคืนความเพียรมากจึงปล่อยให้เป็นความสะดวกสําหรับตัวเองแต่ละรายไปที่จะพักพอหลับนอนหรือประกอบความเพียรในเวลาใด แนวทางดำเนินในสายท่านอาจารย์มั่นกรรมฐานห้าและธุดง13ท่านถือเป็นสำคัญมากจะเรียกว่าเป็นเส้นชีวิตของพระธุดงสายของท่านก็อไม่ผิดใครเข้าไปรับการอบรมกับท่านท่านต้องสอนกรรมฐานและธุดงขวัตให้ในเวลาไม่นานเลยถ้าเป็นหน้าแรงท่านมักจะสอนให้ไปอยู่รุกขมูลร่มม้เสมอว่าโนอนต้นไม้ใหญ่มีใบ ด, ดกหนาหน้าร่มเย็นสบายภาวนาสะดวก อากาศก็ดีปราศจากความทุกข์ทุกข์วุ่นวายจากสิ่งภายนอกโนนภูเขาเป็นที่เปิดหูเปิดตาเพื่อร่าเริงในธรรมโนนถ้ำโนนเงื่มผาเป็นที่น่าอยู่น่าบาเพ็ญเพียรหาความสงบสุขทางใจโนนป่าชัดเป็นที่กําจัดความเปลียดคร้านและความหวาดกลัวต่างๆได้ดีคนเกลียดคร้านหรือคนที่ขาดควรไปอยู่ในที่เช่นนั้นจะได้ช่วยพยุงความเพียรให้ขยันเสีย บ, บ้าง และช่วยกำจัดความกลัวเพื่อเกิดความกล้าหารขึ้นบ้างไม่หนักและกดถึงจิตใจจนเกินไปภูเขาลูกโน้นถ้ำโน้นเงื่อมผานโน้นอากาศดีภาวนาสะดวกจิตรวมลงสู่ความสงบเร้ ง, ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วมองเห็นสิ่งต่างๆที่ปแปลกลึกลับได้ดีเกินกว่าสายตาสามันจะรู้เห็นได้ภูเขาลูกนั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นมีสิ่งนั้นๆอยู่ทางทิศนั้นๆ ผู้ไปอยู่ควรระวังสำมรวมไม่คว ร, ระมาตว่าปราถจากผู้คนและสิ่งต่างๆทีเ่เห็นและได้ยินแล้วจะไม่มีอะไรอื่นอีกสิ่งลึกลับเกินกว่าสามัญจิตจะรู้เห็นได้ยังมีอีกมากมายและมากกว่าวัตถุที่มีเกลื่อนอยู่ในโลกนี้เป็นไห น, ไหนเป็นเพียงไม่มีสิ่งที่ควรแก่สิ่งเหล่านั้นจะ แ, แสดงความมีออกมาอย่างเปิดเผยเหมือนสิ่งอื่นๆเท่านั้นจึงแม้มีอยู่มากอยเพียงไรก็เป็นเหมือนไม่มี ผู้ปฏิบัติจึงควรสำรวมระวังในอริยบทต่างๆอย่างน้อยก็เป็นผู้ช น, นใจยิ่งกว่านั้นก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของผู้กายทิพย์ทั้งหลายที่มีพบภูมิต่างๆกันอาศัยอยู่ในแถบนั้นและที่อื่นๆเพราะโลกไม่ว่างจากมวลสัตว์ชนิดต่างๆทั้งหยาบและละเอียดแม้ในกายคนกายสัตว์ก็ยังมีสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยอยู่นักปฏิบัติเพื่อเสรีภาพแก่สภาวะธรรมทั้งหลายทั่วไตรภพ จึงไม่ควรรับรองและปฏิเสธในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นว่ามีว่าจริงและว่าไม่มีไม่จริงเพียงเท่านั้นแม้แต่วัตถุทั้งหยาบทั้งละเอียดซึ่งมีอยู่เรายังไม่สามารถรู้เห็นโดยทั่วถึงบางทียังโดนสิ่งต่างๆจนตกบ้านตกเรือนแตกยับไปหมดก็ยังมีประจํามิสัยมนุษย์ผู้ชอบยิงในตัวขณะที่เดินซุ่มซ่ามเซอะซะไปโดนสิ่งของด้วยความไม่มีสตินั้น ตัวต้องเข้าใจว่าอะไรไม่มีอยู่ในที่นั้นแต่สิ่งที่ถูกปฏิเสธว่าไม่มีอยู่ในที่นั้นและในขณะนั้นทําไมจึงถึงกับแตกฉีกหายไปได้เพียงเท่านี้ก็พอพิสูจน์ตัวเองได้ดีว่ามีนิสัยสับเปลาเพียงไรถ้าจะพิสูจน์นอกจากจะไม่ยอมพิสูจน์และปล่อยให้เรื้อรังไปตลอดการเท่านั้นก็หมดหนทางที่จะทราบความจริงที่มีอยู่ในโลกและทำทั่วๆไปภูเขาลูกโน้น ถ้ำโนนและเงื่มผาโนนผมเคยพักบำเพ็ญมาแล้วเป็นที่จับใจไร้กังวลกับเรื่องเกลื่อนกลนวุ่นวายทั้งหลายถ้าพวกท่านมุ่งต่อแดนพ้นทุกอย่างถึงใจก็ควรสแสวงหาที่เชนั้นเป็นที่อยู่ที่บำเพ็ญและที่ฝากเป็นฝากตายกับธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นดังองค์ของศาสดาเสด็จมาประทับอยู่ในที่เฉพาะหน้าทุกอิรยาบทหลับและตื่นจะเป็นสุขความเพียรทางใจก็กล่าวนา ไม่ชักช้าล่าถอยเหมือนที่เกลินกลนรนวุ่นวายทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันทั้งหลายก็ดีท่านทรงพรีและพรีชีพเพื่อทำในสถานที่ดังกล่าวนั่นแหละนอกจากผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาวั ต, ตะสงสารเพลินเที่ยวจับจองปาช้าความเกิดตายแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเท่านั้นจะไม่ยินดีในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทรงยินดี โนนป่าช้าป่าชัดไปอยู่ในป่าเช่นนั้นกับพวกชาวป่าชาวเขาโนอนเป็นสถานที่อํานวยความเพียกทุกด้านเพื่อตัดกระแสวัฏะภายในใจให้น้อยลงทุกประโยชนแห่งความเพียรการทําความเพียรในที่เหมาะสมกับผู้ต้องการความไม่หวังมาเกิดตายอีกหลายชาติหลายภพผิดกับที่ทั่วๆไปอยู่มากสถานที่ไม่เหมาะแม้เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลานา น, านเท่ากัน แต่ผลที่ได้รับย่อมผิดกันอยู่มากเพราะความเอาใจใส่และความสืบต่อแห่งสติปัญญาตลอดความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัวนั้นต่างกันผลที่ได้รับจากเหตุที่ไม่สืบต่อกันจึงต่างกันนักปฏิบัติที่ยึดศสาศสดาเป็นสาระาจริงๆควรระลึกถึงคมที่ประธานไว้ให้มากกว่าคิดถึงความลำบากต่างๆมีความโกลายเป็นตัวการสำคัญเช่นความลำบาก เพราะขาดแคลนกันดานในปัจจัย4ี่มีอาหารบินทบาทเป็นต้นความลําบากในการประกอบความเพียรคือการฝึกทรมานจิตที่แสนขนองโลดผลประจํานิสัยมาดั่งเดิมความลําบากเพราะเดินจงกรมนานเพราะนั่งภาวนานานเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทรมานกายทรมานใจความลําบากเพราะจิตไม่ยอมอยู่ในขอบเขตร่องรอยที่ต้องการความลําบาก เพราะความหิวโหยโรยแรงเนื่องจากอาหารน้อยเพราะฉันแต่น้อยเพราะหยุดพักไม่ฉันบ้างเป็นวันๆหยุดไปลหลายวันเพื่อความเพียรทางใจจะได้ดำเนินสะดวกตามจริตเป็นรายๆความลำบากเพราะความเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจไร้เพื่อนโผงครูอาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นต่อกันความลำบากเพราะคิดถึงบ้านถึงเรือน คิดถึงเพื่อนฝูงญาติมิตรที่เคยให้ความอบอุ่นทางกายทางใจความลำบากเพราะเปรียบฝนทนทุกข์ไม่มีที่มุงที่บังกันแดดกันฝนความลำบากเพราะความหนาวเหน็บเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเพราะเหตุต่างๆความลำบากเพราะเป็นไข้ความเจ็บหัวตัวร้อนปวด อ, อวัยวะส่วนต่างๆไม่มียุกยาเครื่องบําบัด ร, รักษาความลำบากเพราะกลัวตาย อยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่มีผู้ปรนิบัติรักษาเวลาตายไม่มีผู้เก็บซากศพมีแต่แรงกาหมากินและมแมลงวันมายื้อแย่งแข่งกันกินความคิดเหล่านี้เป็นเครื่องกีดขวางทางดำเนินเพื่อพระนิพพานอย่าป่อให้เขามารบกวนใจดได้จะเสียคนไปไม่ตลอดควรทราบ ท, ทันทีว่าความคิดนี้คือกองสมุทรไทย ซึ่งเป็นกุญแจเปิดทุกข์ขึ้นทับถมจิตใจจนหาทางออกไม่ได้ผู้ปฏิบัติต้องเป็นคนกล้าหาญอดทนคือทนต่อแดดต่อฝนทนต่อความหิวโหยทนต่อความทุกข์ทรมาร ต, ต่างๆที่เกิดขึ้นทางกายทางใจทนต่อความเจ็บปวดแสบร้อนต่างๆที่มาสัมผัสทั้งภายในภายนอกซึ่งโลกทั้งหลายก็ยอมรับว่ามีว่าเป็นโดยทั่วกันนักปฏิบัติ ต้องฝึกหัดใจให้กล้าแข็งต่อแรงพายุที่คอยจะเกิดขึ้นอยู่เสมอซึ่งโดยมากก็มาเกิดจากใจตัวเองและคอยหักรานตัวเองให้ทุพพลภาพทางความเพียรกลายเป็นคนอ่อนแอที่เคยเข้มแข็งอดทนก็ลดวาราสอกลงโดยลำดับและลดลงจนก้าวไม่ออกสุดท้ายก็จอดจมงมทุกข์ไปตามเคยศาสดาคณวันห่างไกลจิตใจไปทุกทีพุทธังสรณนังคฉามิ ก็เป็นเพียงลมปากแสดงออกมาซึ่งเด็กก็ว่าได้แต่ส่วนใหญ่ที่แท้จริงของคำว่าพุทธังเลยจืดจางว่างเปล่าไปจากใจนี่ท่านเรียกว่าผู้ท้อถอยพ่ายแพ้กิเลสมานคือสู้ความคิดฝ่ายตามภายในใจของตนไม่ได้ผู้พ่ายแพ้ขันธมานคือปล่อยให้กองทุกข์ในสังขารเหยียบย่ำทําลายอยู่เปล่าเปล่าไม่สามารถหาทางคิดค้นแก้ไขด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ พอมีทางหลบปลีกปรีตัวออกได้โดยอุบายอันแยบคายของนักต่อสู้เพื่อกู้ตนจากหล่มลึกข้าศึกใดก็ตามในแหล่งโลกธาตุไม่มีอำนาจอันลึกลับแหลมคมเหมือนข้าศึกภายในใจคือกิเลสตัณหานี่เลยข้าศึกนี้น่านักใจมากสำหรับผู้มีนิสัยอ่อนแอและขี้เกียจไม่เป็นคนช่างคิดมีอะไรนิดมาสัมผัสคอยแต่จะยอมแพ้ไม่คิดหาอุบายต่อสู้เพื่อตัวเองบ้างเลย นิสัยชนิดนี้กิเลสมารชอบมากเป็นพิเศษใครอยากเป็นคนพิเศษของมันก็ต้องฝึกและสั่งสมนิสัยนี้ขึ้นให้มาจะได้เป็นผู้รับใช้ที่โปรดปรานของมันชนิดไม่มีวันโผล่หน้าขึ้นมาเห็นแสงอัดแสงทมเครื่องน้ำให้พ้นทุกได้เลยเกิดมาพบใดชาติใดก็มอบดวงใจที่มีคุณค่าเป็นเครื่องสังเวรเส้นสวงแต่กิเลสตัวมีอานาจยิ่งกว่าธรรมภายในใจตลอดไป คิดแล้วก็น่าสลดสังเวชที่พระเราขนาดเป็นนักปฏิบัติยังยอมตัวลงตามความรู้สึกฝ่ายต่ำโดยไม่ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องชุดล่าขึ้นมาบ้างพอได้หายใจอยู่กับความสงบแห่งธรรมสมกับเป็นนักพรตแบกกรดสภายบาทขึ้นเขาขึ้นธรรมอยู่ป่าภาวนาแต่ท่านที่มุ่งหน้ามาอบรมศึกษาและปฏิบัติถึงขนาดนี้ยังจะยอมตนให้กิเลสตัณหาเหยียบย่าทาลาย และมาติกาบางสุกุลเอาตามใจชอบหรือถ้าเป็นได้อย่างนั้นผู้สั่งสอนก็อกแตกตายก่อนผู้มาศึกษาอบรมโดยไม่ต้องสงสัยดังนี้อุบายวิธีสอนของท่านอาจารย์มั่นยากที่จะจับนิสัยท่านได้เพราะเป็นอุบายของปรากผู้ฉลาดแหลมคมในสมัยปัจจุบันจึงรู้สึกเสียใจที่ผู้เขียนประวัติท่านและปฏิบัตพระทุกงศาของท่านไม่มีความจดจา และความฉลาดสมศักดิ์ศรีท่านจึงไม่อาจขุดคน้นเนื้ออัดเนื้อธทมที่สําคัญในการสั่งสอนของท่านออกมาให้ท่านได้อ่านอย่างสมใจสมกับท่านเป็นพระในานามรำ ท, ทั้งองค์ตามความรู้สึกของผู้เขียนถ้าผิดก็ขออภัยด้วยการสั่งสอนพระท่านหนักไปในทุดงควัตรเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ในป่าในเขาในถ้าและเงื่อนผาที่เปลี่ยวเปลี่ยวรู้สึกว่า ท่านเน้นหนักลงเป็นพิเศษแทบทุกครั้งที่อบรมไม่แสดงขึ้นต้นด้วยสถานที่ดังกล่าวก็ตอนสุดท้ายเป็นต้องนำมาสรุปจนได้สมกับท่านเป็นนักพรตและชอบอยู่ในป่าในเขาประจำชีวิตนิสัยของนักบวชจริงๆการอบรมไม่ยอมให้เนื้อทำห่างจากทุดองขวัตเลยพอจบจากการนำพระเที่ยวชมปา่าชมเขาชมถาม้าและเนื้อผาต่ า, างอันเป็นสถานที่รื่นแรงแล้ว ก็นำพระเข้าบิณฑบาตในหมู่บ้านด้วยบทธรรมหมวดต่างๆคือสอนวิธีการครองผ้าและท่าสำรวมในเวลาเข้าบิณฑบาตไม่ให้มองโน้นมองนี้อันเป็นกิริยาของคนไม่มีสติอยู่กับตัวแต่ให้มองในท่าสำรวมและสงบสงเสงียมมีสติทุกระยะที่ก้าวไปและถอยกลับใจรำพึงในธรรมที่เคยบาเพ็ญมาประจานิสัยการบิณฑบาต ถือเป็นกิจวัตรสำคัญประจำพระธุดงในสายของท่านไม่ให้ขาดได้เว้นแต่ไม่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องไปขณะไปก็สอนให้มีความเพียรทางภายในไม่ลดละทางไปและกลับจนมาถึงที่พักตลอดการจัดอาหารใส่บาทและลงมือฉันก่อนฉันก็สอนให้พิจารณาปัจเวคขณะคือปฏิสั่งค่าโยนิโซโดยแยกคายตามภูมิสติปัญญาของแต่ละรายอย่างน้อย เป็นเวลาราวหนึ่งนาทีก่อนแล้วจึงลงมือฉันด้วยความสำรวมและมีสติอยู่กับตัวและในบาทอาหารที่รวมอยู่ในบาทมีหลายชนิดและมีรูปลักษณะสีสันต่างๆกันเมื่อรวมกันอยู่ในบาทใจมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคอยดูมารยาของใจจะแสดงท่าต่างๆออกมาในเวลาฉันกำหนดสติปัญญาคอยสังเกตตรวจตราทั้งความหิวที่อาจออกนอกลูกนอกทาง อันเป็นทางเดินของตันหาตาเป็นไฟใจเป็นวานอนในวงเล็บปลิงท้งมารยาของใจที่อาจคิดว่าอาหารที่ผสมกันอยู่มีรสชาติแปลไปต่างๆใจเกิดความสะอิดสะเอียนเบื่อหน่ายไม่อยากรับประทานอันผิดวิสัยของผู้บำเพ็ญพรตเพื่อความรอบคอบและความหมดจดของใจอุบายการพิจารณาของแต่ละรายนั้นแล้วแต่ใครจะแยบคายในทางใด ทางปฏิกูลทางธาตุหรือทางใดที่เป็นเครื่องบรรเทาและกำจัดกิเลส ต, ตัณหาความลืมตัวย่อมถือเป็นความถูกต้องดีงามในการฉันเป็นเรลลายที่มีความแยบคายต่างกันขณะฉันก็ให้มีสติเป็นความเพียรไปทุกประโยคโดยสังเกตระวางจิตกับอาหารที่เข้าไปสัมผัสกับชิวหาประสาทและธาตุขันในเวลากำลังเคี้ยวกลืนไม่ให้จิตกำเริบลำพองไปตามรสอาหารชนิดต่าง อันเป็นความลืมตนเพราะความหิวโหยที่เป็นไปด้วยอํานาจของธาตุขันที่กําลังบกพร่องและต้องการสิ่งเยียวยาก็มีที่เป็นไปด้วยอํานาจตันหาความดิ้นรนของใจก็มีอย่างต้นถือเป็นธรรมดาของขันแม้พระอรหันต์ท่านก็มีได้เช่นสามัญธาตุทั่วไปแต่อย่างหลังต้องคอยระวังสังเกตและปราบปรามขืนปล่อยไว้ไม่สนใจนําพาต้องทําคนให้เสียได้ เพราะเป็นประเภทความอยากที่เป็นไปด้วยอำนาจตันหาน้ำไหลนองล้นฝังไม่มีเมืองพอดีผู้ปฏิบัติจำต้องมีสติปัญญาใกล้ชิดกับใจอยู่เสมอเกี่ยวกับการขบฉันทุกๆครั้งไปเพื่อใจจะได้มีความเคยชินต่อการพิจารณาและการรักษาตนในท่าต่างๆคือท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่านอนท่าขบฉันตลอดการทาข้อวัดปฏิบัติปัดกวาดต่างๆ อันเป็นกิจของพระจะพึงธทมไม่ปล่อยสติปัญญาอันเป็นประโยชน์แห่งความเพียรปราศจากใจการกระทำทุกอย่างจะกลายเป็นเครื่องเชิดหุ่นที่ไม่มีความหมายของงานไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อฉันเสร็จแล้วนำบาบไปล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งกับมือถ้ามีแดดก็พึงแดดสักครู่แล้วนำไปเก็บไว้ในสถานที่ควรเสร็จแล้วทาธุระอื่นต่อไปเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือทากิจอย่างอื่น หลังจากฉันเสร็จแล้วโดยมากมีการเดินจงกรมมากกว่าการนั่งทําความเพียรเพราะเป็นท่าที่ระ ง, งับความโงกง่วงได้ดีกว่าท่าอื่นๆแต่ถ้าไม่ได้ฉันจังหันในวันใดวันนั้นแม้จะนั่งในเวลาใดก็ได้ไม่ค่อยมีความห่วงเหงาหานอนมารบกวนประกอบความเพียรได้สะดวกทุกอิริยาบทไปฉะนั้นท่านที่มีนิสัยชอบในทางนี้จึงชอบอดอาหารกันบ่อยๆ บ, บางครั้งอดแต่น้อยวันไป จนถึงทีละหลายหลายวันคือครั้งละสองสามวันบ้างครั้งละสี่ห้าวันบ้างห้าหกวันบ้าง9ก้าถึงสบวันบ้างสิบห้าถึงสิบห้าวันบ้างสิบ0ก้าถึงวันบ้างบางรายอดได้เป็นเดือนไม่ฉันอะไรเลยก็ยังมีฉันเฉพาะน้ำธรรมดาในระหว่างที่อดไปหลายหลายวันบางวันก็มีฉันโอวันตินบ้างเล็กน้อยหนึ่งเล็บถ้ามี พอบรรเทาความอิดโรยแต่ไม่ได้ฉันทุกวันไปคือฉันเฉพาะวันที่อ่อนเพลียมากเท่านั้นแต่สมัยท่านอาจารย์มั่นพาพระบําเพ็ญโน้นเรื่องนมโอวตินน้ำตาลทรายโกโก้โกาแฟหรืออะไรเหล่านี้ไม่ควรถามถึงเลยแม้แต่จะหาถ่ายเอารูปไวเวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาจะได้ดูแม้ไม่ได้ฉันก็ยังไม่มีให้ถ่ายเลยไม่เหมือนปัจจุบันที่มีหรูหราเฟทุกอย่าง จนกลายเป็นความฟุ่มเฟยมากกว่าอดอยากขาดแคลนคงจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังที่พระธุดงค์กรรมฐานเราภาวนาตามท่านปอยยางลำบากลำบนและบ่นกันอู้ว่ากิตไม่รวมไม่สงบแย่จริงๆแทกทุกแห่งทุกขนความจริงก็จะให้สงบได้อย่างไรกันต้องขออภัยเขียนตามความจริงตอนเช้าไปบินธบารก็เต็มบาทกลับมาทั้งหวานทั้งขาวแถบางครั้ง มือหนึ่งยังหิ้วปินโตพอมาถึงศาลาปินโตก็วางแผ่นแถวๆไม่ชนะที่จะรับประเขนซึ่งล้วนแต่ท่านศรัทธาที่มุ่งต่อบุญกุศลอุตสาหแวกว่ายมาจากที่ต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลทุกทิศทุกทางมาขอแบ่งบุญจากพระทุนหนงกบาฐานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสให้ทานเท่าไรไม่กลัวหมดกลัวสิน้นเพราะแรงศรัทธาพาขนกวายเพียงเท่านี้ก็แยกอยู่แล้ว พ อ, อกลางวันหรือตอนบ่ายตอนเย็นๆน้ำแข็งน้ำสม้มน้ำหวานโกโก้กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลอะไรเต็มไปหมดก็มาอีกแล้วจนไม่ชนะจะฉันและนอนแช่กันอยู่แบบนั้นพระธุดงจึงรวยใหญ่แต่ภาวนาให้เป็นท่ามีแต่ความอึดอาดเหนื่อยนายเหมือนเรือบรรทุกของหนะักคอยแต่จะจมน้ำ ท, ทั้งที่ยังไม่ได้ออกจากท่าดังนั้นท่านภูมุงต่อฟังแห่งพระนิพานท่านจึง ระมัดระวังตัวอย่างเข้มงวดโกดขันไม่เห็นแก่ป่าแก่ทองความละบากอิดโรยต่างๆพยายามบากบานฟันฝ่าสิ่งกีดขวางต่อทางดาเนินมิได้นอนใจสิ่งของหรืออาหารปัจจัยแม้มีมากท่านคอรับแต่น้อยด้วยความรู้จักประมาณท่านที่อดนอนผลออาหารหรืออดอาหารก็เช่นกันเป็นวิธีหนึ่งที่จะพาให้ท่านถึงความสงบสุขทางใจรายที่ถูกจริตกับการอดอาหาร อดไปหลายวันเท่าไรจายยิ่งสงบผ่องใสและขยบฐานะขึ้นสู่ความละเอียดโดยลำดับความสงบก็สงบได้ง่ายและเร็วกว่าธรรมดาเวลาออกคิดค้นทางปัญญาจายก็คล่องแคล่วแกกล่าพิจารณาอะไรก็ทะลุโปรป่ปงโล่งไปได้ดังใจหวังความหิ ว, หวโหยรยแรงแทนที่จะเป็นความลำบากทรมานทางกายทางใจแต่กลับกลายเป็นเส้นทางอันราบรื่นชื่นใจ ต่อการดําเนินของท่านไปทุกระยะที่ผ่อนและอดอาหารเป็นครคราวไปท่านที่มีนิสัยในทางนี้ท่านก็พยายามตะเกียกตะกายบําเพ็ญไปด้วยความอดยาขาดแคลนแบบนี้ตลอดไปในถ้ำกลางแห่งความสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่เพราะถือเป็นเครื่องอาศัยพอยางความเป็นอยู่ให้เป็นไปเป็นวันๆเท่านั้นสาระสําสคัญคือทําภายในใจท่านถืออย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าประกัน ไม่ยอมลดละปล่อยวางตลอดไปนักภาวนาที่กล้าตายเพื่ออันเพื่อธรรมต่อมรรคผลนิพพานจริงๆที่ไหนสะดวกในการบําเพ็ญเพียรทางภาวนาท่านมุ่งต่อที่นั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์ยากลำบากเพราะอะไรจะบกพร่องขาดเขินบ้างใจน้อมต่อทำอันเป็นทางของทุกๆล้วนๆไม่มีอะไรแม้แอบแฝงแปลงปลอมได้เลยอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เป็นความเพียรล้วน ประหนึ่งท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกอิริยาบถเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาที่ท่านปลดเปลื้องกิเลสเครื่องผูกพันต่างๆออกจากใจอย่างไม่ลดละท้อถอยกหลากับจะให้กิเลสพิรุษคาสู น, นออกจากใจในเวลานั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เพื่อก่อกรรมทําเข็นแก่ท่านอีกต่อไปผู้มีนิสัยถูกกับวิธีนี้ท่านก็เร่งปฏิบัติทางไปในทางนี้ ไม่ลดย่อนอ่อนกำลังให้กิเลสในบรรดาที่ละได้แล้วได้ใจหัวเราะเยาะและเรืองอำนาจบนหัวใจได้อีกต่อไปส่วนที่ยังเหลือก็พยายามต่อสู้กันต่อไปจนกว่าจะถึงแดนชัยท่านที่มีนิสัยในทางใดซึ่งเป็นผู้มุ่งต่อทำอย่างเต็มใจแล้วย่อมจะเร่งความเพียรในทางนั้นเช่นผู้ผ่อนอาหารเป็นการถูกกับจริตก็พยายามผ่อนให้กลมกลืนกับปฏิปทาเรื่อยไปไม่ยอมลดละไปตลอดสาย จนสุดทางเดินหรือก้าวเขวไวยที่อ่อนกําลังทางกายท่านอาจลดยอนผ่อนพันไปตามวัยบ้างผ่อนอาหารตามเคยบ้างสลับกันไปตามเหตุการณ์ที่เห็นว่าควรท่านที่เดินจงกรมมากถูกกับจริตก็พยายามทำความเพียรในท่าเดินมากกว่าท่าอื่นๆตลอดไปแม้จะมีท่าอื่นๆเข้าแทรกบ้างก็เพียงเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยในตัวแล้วกลับมาท่าเดิมที่เคยเห็นว่า ได้ผลมากกว่าท่าอื่นๆท่านที่ถูกกับการนั่งมากกว่าท่าอื่นก็พยายามทำความเพียรในท่านั่งให้มากกว่าท่าอื่นหากมีการเปลี่ยนบ้างก็เป็นคราวๆเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยท่านที่ถูกจริตกับท่านอนมากหรือท่ายืนมากกว่าท่าอื่นก็ย่อมประกอบความเพียรให้หนักไปในท่านั้นๆตามความถนัดของแต่ละลายแม้สถานที่ทำความเพียรก็เช่นกัน ย่อมเหมาะกับจริตเป็นเรื่อยไปบางท่านชอบได้กำลังใจจากที่หลงโล่งลอากาศโปรง่ปรงเช่นอยู่กลางแจ้งในเวลาเย็นหรือกลางคืนก็มีบางท่านชอบได้กำลังใจเพราะการทำความเพียรอยู่ในถ้ำก็มีบางท่านชอบได้กำลังใจเพราะอยู่บนหลังเขาไหลเขาก็มีบางท่านชอบได้กำลังใจเพราะอยู่ป่าราบธรรมดาก็มีบางท่าน ชอบอยู่ริมน้ําริมสะว่าได้กาลังใจดีก็มีต่างๆกันอย่างไรก็ตามท่านนักปฏิบัติที่มุ่งความเจริญแก่ตนย่อมทราบจริตนิสัยของตนได้ดีและพยายามประกอบความเพียรตามอิริยาบทและสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมกับจริตจิตใจไปโดยสม่ําเสมอไม่ให้ไม่ให้ขัดต่อ น, นิสัยที่เห็นว่าชอบกับอิริยาบทและสถานที่ดีแล้วท่านอาจารย์มั่น ท่านสั่งสอนปฏิบัติาเครื่องดำเนินแก่บรรดาศิษย์ทั้งภายในภายนอกละเอียดลออมากและสั่งสอนอย่างมีเหตุผลทราบซึ้งจับใจในธรรมทุกขั้นและเครื่องดำเนินทุกแขนงผู้ได้รับการอบรมจากท่านพอสมควรต้องการจะเร่งความเพียรจำเพาะตนก่อนนรัสการกราบลาท่านออกสแสวงหาที่วิเวกสงัดเป็นแห่งๆไปตามนิสัยที่ชอบในสถานที่ใดก็ไปยางสถานที่นั้นคือท่านที่ชอบภูเขา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 ฉะนั้นการสแสวงหาที่บำเพ็ญต้องขึ้นอยู่กับน้ำเป็นสำคัญส่วนหนึ่งแม้จะมีอยู่ในที่ห่างไกลบ้างประมาณกิโลเมตรก็ยังนับว่าดีไม่ลำบากในการหิ้วขนนักที่โครจรบินทบาทถ้ามีหมู่บ้านราว 4-5 ห้าลังคาเรือนหรือ 8-9 ด้าลังคาก็พอเป็นไปสำหรับพระธุดงค์เพียงองค์เดียวไม่ลำบากอะไรเลยตามปกติพระธุดงค์กรรมฐานไม่ค่อยกังวลกับอาหารคาวหวานอะไรนัก บินธบาได้อะไรมาท่านก็สะดวกไปเลยแม้ได้เฉพาะข้าวเปล่าๆไม่มีกับเลยท่านยังสะดวกไปเป็นวันๆเพราะเคยอดเคยอิ่มมาแล้วจนเคยชินถ้าไม่เป็นการอดแม้เขียนตามความจริงที่เคยประสบมาเป็นประจำในชีวิตกรรมฐานผู้เขียนเคยประสบมาเสียจนเคยตัวแต่ก็มีปรากฏว่าเข็ดลาบอะไรเลยบางเวลามีโอกาสยังคุยม้เรื่องความอดยาของตัวให้หมูเพื่อนฟังอย่างไม่ไอาย ทั้งที่คนทั้งโลกเขาอายกันไม่อยากพูดถึงเรื่องความอดยาขาดแคลนของตัวเองและครอบครัวให้เพื่อนฝูงฟังเพราะเป็นความอับอายมากส่วนพระก ร, รมฐานยังคุยโม้ได้ไม่นึกกระดาษใครว่าจะหัวเราะเย่อเอาที่เขียนอย่างไม่อายก็เพราะชีวิตของพระก ร, รมฐานเป็นชีวิตที่แร้นแค้นกันดานมาแต่ครูอาจารย์ผู้เป็นต้นตระกูลมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นในสายนี้พาดําเนินมาก่อน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 าและจิตไม่อยากมองทางจงกรมเอาเลยมีแต่จับจ้องอยู่ที่หมอนเท่านั้นให้นอนทั้งวันยิ่งถูกใจเจ้าอย่างขืนเขียนไปมากก็เป็นการขายตัวมากซึ่งเป็นกรรมฐานองค์สำคัญในเรื่องนั้นองค์หนึ่งจึงควรยุติเสียบ้างเมื่อคิดดูแล้วใจพระกรรมฐานใจท่านใจเราคงคล้ายคืนกันอนุโลมตามเท่าไรา ย, ยิ่งได้ใจสนุกคิดไปร้อยแแบบไม่มีขอบเขตต้นฉบับคัมภีร์ใบลานอะไรเลย มีแต่เรื่องนรกอเวจีสิทั้งสิน้นและพอใจเปิดอ่านทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันเบื่อไหนอิ่มพอมีหนำยังหารยึดอำนาจเอานรกอเวจีมาเป็นที่สนุกสนานเฮฮาโดยไม่หวั่นเกรงย ม, มาบาลบ้างเลยเวลากิเรตเรืองอานาจบนหัวใจเป็นอย่างนี้แหละพระกรรมฐานท่านทรมานใจตัวเก่งกาจด้วยวิธีต่างๆโดยพาอดอาหารบ้างอดนอนบ้าง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 จิตเห็นโทษความกลัวเสือและเห็นคุณของพระพุทธเจ้ า, า พ, พระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจไม่เอ็เอียงหวั่นไหวไปมากับอารมณ์ใดๆมีแต่ความสงบสุขและความกล้าหาญเต็มดวงใจจิตกลับเป็นมิต ร, ตรต่อสัตรูคือเสือได้อย่างสนิทมีหนำยังอยากโดดขึ้นนั่งเล่นบนหลังเสือตัวเป็นมิตรได้อย่างสนิทใจมิได้นึกว่ามันจะทาอะไรได้เหมือนอย่างที่เคยนึกกลัวมาก่อนเลยปรากฏว่า ใจผูกมิดได้กับทุกตัวสัตว์ที่มีอยู่ในป่าไม่นึกว่าสัตว์ตัวใดและสิ่งลึกลับจะกล้ามาทำอันตรายได้ตามความจริงแล้วคิดว่าสัตว์ ร, ร้ายต่างๆจะทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะผู้จะทำก็คือใจเป็นผู้คิดภายเรื่เรื่อมแต่ใจอีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าอยู่แล้วย่อมทาให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่อนอำนาจและความตั้งใจลงไปเองการอยู่ในป่าก็ดีในภูเขาก็ดี ในเงืม่มผาป่าไมา้ชายเขาลำเนาไพรต่างๆก็ดีโดยมากท่านสแสวงหาที่น่ากรัวช่วยพยุงความเพียรให้สะดกยิ่งขึ้นจำพวกสัตว์ ร, ร้ายมีเสือเป็นต้นช่วยพยุงความเพียรได้ดีพระกรรมฐานจึงชอบมันทั้งที่กลัวมันมากที่ชอบก็ชอบที่มันช่วยให้เกิดความกลัวได้อย่างรวดเร็วทันใจเพียงมองเห็นรอยของมันที่เหยียบไว้ตามทางหน้าธรหรือสถานที่ต่างๆเท่านั้น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 แต่ความจริงเรื่องทํานองนี้ก็เคยปรากฏผลในวงพระธุดงกรรมฐานมาแล้วเป็นจำนวนมากท้งนี้เพราะความกล้าเสียสละจะตายก็ยอมตายไม่เสียดายชีวิตในขณะนั้นคนเราเมื่อจนมุมเข้าจริงๆหาที่พึ่งอื่นไม่ได้ก็จำต้องพยายามคิดช่วยตัวเองรมยิ่งเป็นองค์สาระอนันอรมอยู่แล้วโดยธรรมชาติเมื่อน้อมเข้ามาเป็นที่พึ่งของใจ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 บาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงเป็นต้นดังนี้เฉพาะพระองค์และพระสาวกท่านไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะทรงรู้เห็นและตรัสไว้เองแต่ผู้ที่ยังไม่รู้เห็นด้วยก็ย่อมเกิดปัญหาสงสัยและถกเถียงกันไปผู้ที่รู้เห็นด้วยตัวเองปัญหาก็ยุติลงเองสรุปแล้วทำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยความจริงล้วน ย่อมมีทั้งผู้รู้เห็นตามเชื่อถือและฝากชีวิตจิตใจต่อทมทั้งผู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เชื่อถือและปฏิเสธว่าทำไม่เป็นความจริงตลอดมาจนปัจจุบันไม่มีใครมาตัดสินให้สงบลงได้เพราะทรมิใช่ด้านวัตถุที่พอจะหยิบยกมายืนยันได้เหมือนโลกนอกจากจะรู้เห็นด้วยสันทิติโกไปตามวิสัยความสามารถของผู้ปฏิบัติไตรตรองเป็นร า, รายไปเท่านั้น ดังนั้นผลที่เกิดจากอุบายฝึกฝนทรมานของแต่ละรายจึงไม่สาธารณะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ได้ทำการพิสูจน์จากความจริงที่เป็นวิสัยของมนุษย์จะพึงทมได้ด้วยการเป็นเรา ย, ายไปพระธุดงกรรมฐานที่ฝึกตนแบบเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงต่อความเป็นความตายจึงควรจัดเป็นวิธีพิสูจน์ตนและทมเพื่อความจริงวิธีหนึ่งซึ่งไม่นอกเหนือไปจากวงแห่งาศาสนธรรมที่ประทานไว เรื่องที่เขียนลงเหล่านี้เป็นวิธีที่พระธุโงงกรรมฐานท่านเคยฝึกตนมาประจำนิสัยและปฏิปทาที่เห็นว่าเหมาะกับจริตของตนเป็นระรายไปอยู่แล้วและมีผลเป็นคู่เคียงกันมาไม่ได้ทําแบบสุ่มๆและนำมันเขียนแบบเดาๆแม้ผู้เขียนเองก็เคยจะเกลี่ยตะกายตามวิธีที่กล่าวเหล่านี้มาแล้วท่านที่เป็นนักปฏิบัติตามสายนี้ด้วยกันต่างก็เคยได้ดําเนินและเห็นผลมาตามกําลัง พอเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันได้ว่าการฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆดังกล่าวมาจึงไม่ได้เป็นโมฆะไปแบบมีเหตุแต่ไม่มีผลเป็นเครื่องตอบสนองแต่อย่างใดแต่เป็นปฏิบัติทาที่เต็มไปด้วยความหมายคือผลอันพึงหวังจะเป็นที่ยอมรับในวงปฏิบัติของท่านผู้มีปฏิบัทาอันดีงามตลอดไปคำว่าพระพุทธเจ้าปรินพานแล้วมากผลนิพพานเกิดความกระทบกระเทินไปตาม ไม่สามารถทรงดอกทรงผลสมบูรณ์แก่ท่านผู้ปฏิบัติเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่าผู้บูชาเราตถาคตดังนี้ไม่มีอยู่ในวงสวากขาธรรมและจะไม่มีอยู่ในธรรมของพระองค์ตลอดไปด้วยเพราะอำนาจความศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดใดๆย่อมไม่มีนอกเหนือไปจากธรรมที่ตรัสไปชอบแล้วและเป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคแก่สิ่งทังง้งปวงดังนั้น ผู้เชื่อในธรรมเป็นต้นจึงไม่นิ่งนอนใจที่จะตะเกียกตะกายเพื่อสแสวงหาความดีงามใส่ตนนับแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยความภาคเพียนโดยวิธีต่างๆตามแต่กำลังและความถนัดในทางใดพระธุดงค์ท่านถนัดทางใดในบรรดาวิธีแก้ไขหรือปราบปรามกิเลสภายในให้สิ้นไปเป็นภักดิ์ท่านย่อมสแสวงหาในทางนั้นเช่นผู้มีนิสัยขี้กลัว